เปลี่ยนความคิดเป็นรู้ว่าคิดความคิดที่ไม่ได้จงใจคิดจะต่างอะไรจากเมฆหมอกที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเพียงถอยมารู้ว่าความคิดมาเองแล้วไปเองก็นับว่าเปลี่ยนจากคิดเป็นรู้ว่าคิดแล้วทุกคนมีความคิดไม่ดีผุดขึ้นมาในหัวกันทุกวัน โดยไม่อาจทราบว่ามันจะโผล่มาเมื่อไรนาทีไหนรู้แต่ว่าบางวันก็ผุดมากบางวันก็ผุดน้อยบางความคิดไม่ดีนั้นคุณอาจจงใจคิดเองอย่างรู้ตัวแต่บางความคิดแย่ๆเป็นคำพูดของคนอื่นที่คุณจำมาคิดต่อขณะที่บางความคิดอยู่ๆมาจากไหนก็ไม่รู้ราวกับเป็นเสียงของปีศาจรอยลมมาก็ไม่ปาน แถมยังบาดใจคุณเหลือเกินโดยเฉพาะเมื่อเป็นความคิดเลวๆต่อบุคคลที่คุณเคารพไม่มีใครนิยมชมชอบความคิดไม่ดีถ้าทำให้รู้สึกไม่ดีต่อให้เป็นโจรร้ายก็อยากคิดดีให้รู้สึกดีมีความสุขเพราะทุกคนเกลียดทุกรักสุขด้วยกันทั้งนั้นย่าตรงที่บ่อยหน่อยคุณและใครๆไม่ทราบจะสลัดความคิดไม่ดีออกไปจากหัวได้อย่างไร อีกทั้งไม่ทราบจะคิดดีท่าไหนให้เอาชนะความคิดไม่ดีได้สำเร็จความคิดไม่ดีที่โผล่มาแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้มีหลายสาเหตุแต่สาเหตุสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือเคยเมามันกับการคิดเพ่งโทษคนอื่นให้เป็นยักษ์เป็นมารเคยสะใจกับการด่าเสียเทเสียใส่คนอื่นให้เจ็บใจหรือเคยลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บั่นทอนศรัทธาคนอื่นไว้ก่อน ความคิดและคำพูดร้ายๆเหล่านั้นของคุณจะไม่หายไปไหนแต่ยังคงเป็นระเบิดเวลาฝังตัวรออยู่ในส่วนลึกคอยโอกาสระเบิดขึ้นมารบกวนจิตไม่ให้เป็นกุศลไม่ให้ได้เป็นสุขไม่ให้สบายใจแถมไม่กล้าบอกใครด้วยวิธีแก้ให้หายไปอย่างถาวนไม่มีมีแต่วิธีถอนความเห็นผิดว่าความคิดไม่ดีเป็นตัวคุณ เพียงทำไว้ในใจว่าเมื่อใดความคิดไม่ดีผุดขึ้นในหัวคุณจะยอมรับว่ามันเกิดขึ้นไม่ใช่พยายามหลอกตัวเองว่าไม่ได้เกิดขึ้นไม่ใช่พยายามฝืนต้านไม่ให้เกิดขึ้นกับทั้งไม่กล้มครวญว่าคุณเป็นคนบาปแล้วหนอต้องตกนรกแน่แล้วหนอให้ยิ่งทรมานใจหนักขึ้นไปอีกไหนไหนมันเกิดขึ้นในหัวของคุณจริงๆแล้ว อ, อย่าให้มันมาเสียเที่ยวแค่มีสติดูจนจิตเกิดความฉลาดรู้ทันความจริงดีกว่าโดยพิจารณาว่ามันมาเองคุณไม่ได้เชิญคุณไม่ได้จงใจคิดคุณไม่ได้ก่อบาปเพราะไม่ได้เจตนามันไปเองถ้าคุณไม่ต้อนรับและไม่ได้เลี้ยงไว้ด้วยการคลุ่นคิดต่อทรมานใจไม่เลิก ยิ่งเห็นว่ามาเองไปเองบ่อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งเห็นความไม่เที่ยงของความคิดไม่ดีบ่อยขึ้นเท่านั้นและยิ่งเห็นความไม่เที่ยงบ่อยขึ้นเท่าไรก็จะยิ่งรู้สึกถึงความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ชายหญิงไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราเขามากขึ้นเท่านั้นถึงจุดหนึ่งไม่เห็นว่าความคิดไม่ดีเป็นภาวะไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจริงๆ ใจจะยินดีกับการเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้สังเกตการอย่างเดียวไม่ต้องเป็นทุกข์กับอุปาทานซ้ำซากไม่ต้องเผลอเลี้ยงความคิดไม่ดีไว้ด้วยความทรมานใจโดยรู้เท่าไม่ถึงการอีกต่อไปและถึงตรงนั้นคุณจะมีกกะใจสังเกต ต, ต่อว่าความคิดแบบสุ่มอื่นๆก็ไม่ต่างจากเมฆหมอกในหัวที่ผ่านมาแล้วต้องผ่านไปเป็นธรรมดาทั้งสิ้น ที่จะเห็นกลุ่มความคิดฟุ้งซ่านทั้งหลายเป็นเมฆหมอกส่วนเกินลอยมาลอยไปได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นสมาธิพอและเห็นกลุ่มความคิดที่ผุดขึ้นอย่างไร้แก่นสารบ่อยๆซึ่งหากคุณยังคงฝึกระลึกถึงความไม่เที่ยงของลมหายใจเข้าออกอยู่ก็จะพบว่าจิตตั้งมั่นรู้เมฆหมอกส่วนเกินได้เรื่อยๆโดยไม่มีปัญหาแต่อย่างไร